สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำรรใดว่าเป็นเยี่ยมนะสมุติาพวกสมณพราหมณ์นะถ้าเขาถืออะไรเป็นเยี่ยมนะแต่สมณพราหมณ์พวกอื่นก็กล่าวธรรมะนั้นแหละว่าเลววาท่ของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจริงเล่าเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดเนี่ย น, นะก็ขยึดถือว่าอะไรดีเยี่ยนะคนอื่นก็ว่าอันนั้นแหละเลวคิดไม่เหมือนกันนะนะ ก็ก็อย่างอย่างเคยนะอาหารเนี่ยถ้าใครปรุงอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเน่ยนะก็บอกอู้อาหารนี้อร่อยที่สุดก็บอกว่าอาหารนี่ไม่ใช้ไม่ได้อะนะก็ น, นะอาหารสมมุติว่าพูดนะแบบธรรมดาเนี่ยคนไทยนี่ชอบอาหารแขกไหมไม่ชอบ <laughs> แล้วคนแขกชอบอาหารไทยไหมเนี่ยนั้ น, นะ น, นก็บอกว่าแขกก็ถือว่าอาหารเขาเยี่ยมใช่ไหมเราก็ถือว่าอาหารเราเนี่ยเยี่ยมชอบไม่เหมือนกันนะ อย่างพวกเนี้ยรีซอเนี่ยเขาก็ว่าอาหารเขานี่เยี่ยมอร่อยมากไหแล้วของเราไปกินของเขาได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วเขาเนี่ยว่าอาหารเมืองเยี่ยมไหมล่ะถ้าเยี่ยมเขาก็คงชอบไปกินอาหารแบบเมืองแหละแต่ไม่ใช่เขาก็รัฐที่ก็เหมือนกันนะที่ถิเนี่ยใครถือว่าอันไหนยเยี่ยมคนอื่นก็บอกไม่ดีอย่างพวกเราทั้งหลายถือว่าการอ่านพระไตรปิฎกนี่เยี่ยมมีบางพวกก็บอกนี่อ่านพระไตรปิฎกมากๆจะทําให้บ้านะ โอ้มีคนว่าขนาดนั้นเนะจริงๆไอ้พวกเรามันก็บ้าอยู่แล้วเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเผื่อจะหายบ้าบ้างอนะไนก็ไม่รู้หรอกอนั่นนะแล้วเขาเขามีว่าเขามีบอกว่าเออเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกมากๆเนี่ยเดี๋ยวก็เพี้ยนสลกเหมือนกันอ้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยจะทำให้หายเพี้ยนนั่นนะนั่นนะนนนะ ที่บ้าก็อาจไม่รู้เรื่องนะนะแต่แต่แ ต, แ ต, แต่จริงๆแล้วเป็นคำสอนที่เพื่อความหายบ้าหายหลงหายเพี้ยนนะนะที่อนานย้อนมาว่าพวกสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวใดว่าธรรมะว่าเยี่ยมไอ้พวกอื่นก็กล่าวว่าเลวใช่ไหมบอกว่าสมณะพรามหมณ์เราหนึ่งกล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งธรรมะคือทิฏฐิปฏิปทามมากใดอย่างนี้ว่าธรรมะนี้เยี่ยมเลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานอุดมบรวร เนี่ยนะสุดยอดนะครูปัญชูอันนี้อะไรสุดยอดแต่สมณพราหมณ์พวกอื่นก็กล่าวสิ่งนั้นแหละธรรมะนั่นแหละว่าเลวความว่าสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งบอกพูดแสดงแถลงซึ่งธรรมะคือที่ถิปฏิปธรมมักนั่นแหละอย่างนี้ว่าธรรมะเนี่ยเลวซามต่ำช้าลามกสกปรกต่ําต้อยเพราะฉะนั้นวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจะจริงเล่านะสรุปเอาของใครแน่นะ ก็เหมือนกับบางคนเนี่ยนะเริ่มมาศึกษาธรรมะเนี่ยนะมาศึกษาในตอนที่เรียกว่ารุ่นอาจารย์เขาทะเลาะ ก, กันอ่ะนะเอ๊ะสรุปจะเอาอยัางไงกันแน่เลยเลิกศึกษาส่งเลยนะบางทีพวกนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีนะมาในสมัยที่เขาวุ่นวายอ่ะนะมาในสมัยที่เขาเลิกเกือมาในสมัยที่เขาทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยนะก็เลยบอกมุ่งไม่ไหวเพระาะฉะนั้นวาทไหนนะ่าจะจริงแท้แน่เป็นจริงตามเป็นจริงไม่วิปริตมัน คำว่าเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดทุกคนก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งใช่ไความว่าอันสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งปวงต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตอ้างตนว่าเป็นทีระชนอ้างตนว่าเป็นผู้มีญานอ้างตนเนี่ยว่ากล่าวโดยเหตุอ้างตนว่ากล่าวโดยลักษณะอ้างตนว่ากล่าวโดยกรณะอ้างตนว่ากล่าวโดยฐานะโดยลัทธิของตน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะหลบไม่รู้จะเอาของใครจริงอ่ะนะเพราะทุกคนก็ถือว่าตัวเองเจ๋งทั้ทั้งหมดอ่ะนะเพราะทุกคนก็อ้างว่าตนนี้เป็นผู้ฉลาดก็สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมะของตนว่าบริบูรณ์แต่ก็กล่าวธรรมะของผู้อื่นว่าเลวพวกสมณพราหมณ์ถือทิฏฐิแม้อย่างนี้แล้วก็ย่อมทะเลาะกันวิวาทกันพวกสมณพราหมณ์กล่าวทิฏฐิของตนของตนว่าจริง ยืดแต่ของตัวเองอะนะของตัวเองเนี่ยแหละจริงของตัวเองเนี่ยแหละแท้แบบนั้นคำว่าก็สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมะของตนว่าบริบูรณ์ความว่าก็สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งธรรมะคือที่ ท, ท, ที่ปฏิปทามักของตนอย่างนี้ว่าธรรมะนี้บริบูรณ์เต็มรอบไม่บกพร่องที่นี่แหละสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดแบนั้นอะนะก็ชมใหญ่เลย แต่ก็กล่าวธรรมะของผู้อื่นเร็วความว่าสรรมณพราหมณอีกพวกหนึ่งก็กล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งธรรมะคือทิฏฐิปฏิปทาของสรรมณะพวกอื่นอย่างนี้ว่าธรรมะเนี่ยเร็วสามตามชา้าสกปรกตามต้อยฉะนั้นจึงชื่อว่าแต่กล่าวธรรมะของสรรมณะพราหมณ์อื่นว่าเร็วคําว่าถือทิฏฐิแม้อย่างนี้แล้วย่อมมีวาดกันความว่าถือยึดถือถื อ, ถอมั่นยึดมั่นซึ่งทิฏฐิอย่างนี้แล้ว ย่อมมีวาดกันคือย่อมทําความทะเลาะกันทําความหมายมั่นกันทําความแก่งแย่งกันทําความมิวาดกันทําความทุ่มเถียงกันว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้อ่ะนะก็ทะเลาะกันแล้วค่ะนี่สงครามน้ําลายก็ระบาดขึ้นทุกคนก็กล่าวจะกล่าวที่ทีของตนว่าจริงอ่ะนะทีท่ิของชั้นนี่แหละจริงข้อปฏิบัติของชั้นนี่แหละจริงว่าโลกเที่ยงอย่างอื่นไม่ใช่อ่ะนะก็ยืนยันอยู่ในรับที่ของตนของตนน่นแหละ หากว่าบุคคลย่อมเป็นคนเลวเพราะคำที่ผู้อื่นตำหนิใส้ใครๆก็ไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมะทั้งหลายเพราะว่าปุตุชนย่อมกล่าวธรรมะของผู้อื่นโดยความเป็นธรรมเลวชนทั้งหลายเป็นผู้กล่าวยืนยันในธรรมะเป็นทางดำเนินของตนทุกคนก็จะยืนคอบยืนยันข้อปฏิบัติของตัวเองใช่ไมไม่ยอมเอาของใครสักอย่างอะ่ะ คำ ว, ว่าหากว่าบุคคลพึงเป็นคนเลวเพราะคำที่ผู้อื่นตาหนิใช้ความว่าหากว่าคนอื่นย่อมเป็นคนงูเลวซามตำชา ส, สกปรกตำต้อยเพราะเหตุคำที่ผู้อื่นตาหนติติเตียนค้อนว่าใช้คำ ว, ว่าใครใก็ไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมะทั้งหลายสมมติถ้าใครนะจะเลวจะชั่วเพราะคำของคนอื่นจะไม่มีคนบริสุทธิ์ได้หรอกอย่างพระพุทธเจ้ามีคนชมหมดไหม ไม่ชมไม่หมดถ้าหากว่าเลวเพราะคําของคนอื่นตาหนินะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ดีอะไรสักอย่างหรอกเพราะอะไรถ้าเป็นไปตามคําของคนอื่นเนี่ยนะขณะเดียวกันถ้าจะถือว่าความบริสุทธิ์เพราะคําชมละ่ะก็ไม่มีใครเลวหรอกเพราะไม่มีใครที่ไม่ถูกชมเนี่ยนะใช่ไหมเจ้าลทัทธินักบวชแก้ผ้าเขาก็นับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันเนี่นยนะก็แสดงว่าดีเหมือนกันวันเอาคําชมเอาคําด่าเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะ คำว่าใครๆไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมทั้งหลายความว่าใครๆก็ไม่พึงเป็นผู้เลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานอุดมบวรในธรรมะทั้งหลายคำว่าเพราะว่าปุตุชนย่อมกล่าวธรรมะของผู้อื่นโดยความเป็นธรรมเลวนะคนเนี่ยนะมันไปชมของใครบ้างเอาเหมือนกันเนี่ยเราขับรถไปบนถนนเนี่ยเราชมรถใครบ้างว่า ง, งามรถเราเนี่ยมันงามที่สุดนะนะ สมมติถ่าเราอยู่บ้านเนี่ยนะเราผ่านบ้านคนอื่นมามากมายเนี่ยถามว่าเราชมวาบ้านใครเนี่ยงามมั้งอ๋อบ้านตัวเองนั่นแหลนะเสื้อผ้าที่คนอื่นนุ่งนุ่งเนี่ยเราชม ม, มั่งไหมนอ ก, กับเสื้อผ้าของตอนเนี่ยคดปกติมันไม่ค่อยมุทิตากันหรอกฉันใดก็ดีเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกทิฏฐิอ่นนะก็ตําหนิคนอื่นว่าเลวกันทั้งนั้นแหละความว่าปุตชชนแม้มากย่อมกล่าวค่อนขอดนินทาติเตียนธรรมะของปุตุชนมากนะก็คือว่ากันเองนั่นแหละ นนมันย่อมกล่าวค่อนขอดนินธาติเตียนคําของปุตุชนคนเดียวนนคือคนหมู่มากนะคนปุตุชนหมู่มากตาหนิปุตุชนคนเดียวว่ากั้นโดยธรรมะโดยความเป็นธรรมเลวซามต่ำช้าสกปรกต่ำต้อยปุตุชนคนเดียวก็กล่าวค่อนขอดนินธาติเตียนของธรรมะของปุตุชนคนมากว่าโดยเป็นธรรมะเลวซามต่ำช้าสกปรกต่ำต้อย เรียกว่าคนเดียวว่าคนหมู่มากคนหมู่มากว่าคนเดียวอ่ะนะปุตุชนคนเดียวย่อมกล่าวค่อนขอดมินทาติเตียนธรรมะของปุตุชนคนเดียวโดยความเป็นธรรมเลวตามสามตามช้าสกปรกตามต้อยอันนั้เรียว่าคนเดียวว่าคนหมู่มากคนหมู่มากว่าคนเดียวคนเดียวว่าคนเดียวอ่ะนะว่าปุตุชนคนเดียวอ่ะนะท่านก็เลยไม่มีใครชมใครสักเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องลัทธิอันนัที่ถีเนี่ยข้อปฏิบัตินี่ชมกันไม่เท่าไหร่หรอก มีแต่ค่ายตัวเองเท่านั้นแหละที่จะชมค่ายตัวเองนะเนาะวศนักตัวเองนั่นแหละชมสํานักตัวเองนะนตงนะแต่สํานักอื่นชมสํานักอื่นหรือเปล่าไม่ค่อยชมเนีย น, นะธรรมะที่ปฏิปธรปรมมักชื่อว่าธรรมะเป็นทางดําเนินของตนในคำว่าชนทั้งหลายเป็นผู้กล่าวยืนยันในธรรมะอันเป็นทางดําเนินของตนก็คือชนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้กล่าวยืนยันกล่าวมั่นคงกล่าวแข็งแรงกล่าวว่าเที่ยงแท้ในธรรมะเป็นทางดําเนินของตนนะนะ โอ้โถ้าใครไปอินเดียนะขับรถทัศนาจรไหมนะแต่ละที่แต่ละสำนักแต่ละสำนักเขาถือว่าเขาเยี่ยมที่สุดเนี่ยนะไอ้ปฏิเสธคนอื่นเข้าไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ถือว่าเยี่ยมเนาะไอ้คนที่ไปก็เขาถือว่าเยี่ยมเหมือนกันเนี่ยนะทุกคนก็โอ้โหแบกกันแบกอะไรแบกอีโก้กันคนละคนละบานเบอะเลยนะถือแต่ละก็มีดีกันทั้งนั้นนะนะแต่จริงๆก็มีกันจริงๆอนะมีดีกันคนละฝักคนละฝักคนละฝักถ้ามันซ่านก็ยุ่งเหมือนกัน ดีนะถ้ามันนิ่วในถุงน้ําดีแล้วจะยุ่งมากก็ <c oughs> มีเดียนนี้แล้วพอจะอวดคนอื่นได้บ้างะนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าหากว่าบุคคลย่อมเป็นคนเลวเพราะคําที่ผู้อื่นตําหนิใส่ใครใครก็ไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมะทั้งหลายเพราะว่าปุตุชนย่อมกล่าวธรรมะของผู้อื่นโดยความเป็นธรรมะเลวชนทั้งหลายก็กล่าวยืนยันในทางดําเนินของตนนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเนี่ยเลวเพราะคําของผู้อื่นหรอกเนีนะ ถ้าหากว่าเลวเพราะคำของผู้อื่นนะจะไม่มีใครได้ดีได้ดีแม้แต่คนเดียวไม่มีใครที่ไม่ถูกด่าเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าทุกคนก็ยืนยันนะน่ะยืนยันในหลักการของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมากกันนะถ้าเขามั่นใจจริงแต่สิ่งที่เขามั่นใจจะจริงหรือไม่ก็เอาอะไรเป็นเครื่องวัดดีเนี่ยนะ <c oughs> เอาเอาอะไรเป็นมิเตอร์นะ ของเราก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างใดเราก็เอาอย่างนั้นแหละเอา้างั้นก็เชื่อแต่พระพุทธเจ้าสิใช่เพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยมากไปด้วยสัจทินทร์สีเนี่ยนะมีอาจาัจฉริยะศรัทธามันเราปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเราจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันก็เกินไปนะถามว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อใครอ่ะเชื่อคุณเหรอเนี่ยเชื่อคุณนะคุณมีกิเลสหรือเปล่า่ถ้าคุณหมดกิเลสก็อยากจะเชื่อคุณอยู่เหมือนกันใช่ไหม เขาบอกว่าเออเนี่ยคุณเนี่ยเชื่อมากเกินไปแล้วเนี่ยเออก็เชื่อพระพุทธเจ้าเสียหายตรงไหนอะก็ดีกว่าเชื่อคุณที่มาค้านผมนี่แหละว่างั้นเพราะฉะนั้นคนที่ค้านกันเนี่ยไม่แน่ว่ามีคุณธรรมอะไรบ้างหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสเราก็เชื่อท่านแล้วท่านพ้นทุกข์แล้ ว, นนลวอะ่ะอย่าลืมนะว่าสัตวทินสีเนี่ยเห็นได้จากอะไรก็เห็นได้จากโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการใช่ไหม คือหนึ่งคบสัตว์บุรุษเราคบพระพุทธเจ้าอ่ะสองฟังธรรมของสัตบุรุษก็คือเราฟังคําสอนของพระองค์สเราเอามายโยนิสโสมนัสิกาน่ะนะแล้วเราปฏิบัติเพื่อสมควรแก่ทำที่พระพุทธเจ้าแสดงมันสัตทินรีเนี่ยจะบริบูรณ์ด้วยโสตาปฏิยังฆธรรมสีหรือเห็นได้ที่โสตาปฏิยังฆะธรรมสีเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปตามคําสอนที่พระองค์สอนนะเราจะไปกลัวอะไรเนี่ย ต่อไปว่าก็การบูชาธรรมะเป็นทางดำเนินของตนของพวกสมณพราหมณ์เป็นของจริงเหมือนดังพวกสมณพราหมณ์สันเสริญธรรมะอันเป็นทางดำเนินของตนวา้ะทั้งปวงก็พึงเป็นของจริงเพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นของเฉพาะตัวเท่านั้นนะก็เจ้าลัตที่ใดเขาก็บูชาหลักการของลัตที่นั้นนะ รัฐที่ใดเขาก็ถือบูชาสรรเสริญการดําเนินข้อปฏิบัติแม้คัมภีร์ของเขาอะนะอย่างเช่นแต่ละศาสนาก็จะบูชาคัมภีร์ของตนของตนเลยนะอย่างไปที่อินเดียเนี่ยเขาไปที่ศาสนาโบสถ์ของศาสนาหนึ่งชื่อศาสนาซิกเนี่ยนะโอ้โหเขาเคารพมากเลยนะก็บูชาเขาตั้งคัมภีร์ของเขาเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยในโบสถ์ของเขาเนี่ยเขาต้องให้คลุมหัวเราก็ต้องคลุมหัวเข้าไปเขามีหลักการอย่างนั้นไม่คลุมหัวไม่ได้ต้องคลุมหัวเข้าไป <c oughs> บวงเขาก็จะเคารพนับถือข้อปฏิบัติของเขามากนะการบูชาธรรมะเป็นทางดําเนินของตนในคําว่าก็การบูชาธรรมะเป็นทางดําเนินของตนของพวกส ม, มณพราหมณ์เป็นของจริงเป็นไฉนะคือพวกส ม, มณพราหมณ์ย่อมสักการะเคารพนับถือศาสดาของตนว่าศาสดานี้เป็นสัพพันญูนี้ชื่อว่าการบูชาธรรมะเป็นทางดําเนินของตน พวกสมณพราหมณ์ย่อมสการะเคารพนับถือบูชาธรรมะที่ศาสดาของตนเนี่ยบอกหมู่คณะของตนทิฏฐิของตนปฏิปทาของตนมรรคของตนว่ามรรคนี้เป็นทางให้พ้นทุกเนี่ยะทุกคนก็จะถือว่าเออนี่แหละที่ฉันทํานี่แหละจะทําให้พ้นทุกได้ละนี่ชื่อว่าการบูชาธรรมเป็นทางดําเนินของตนเนี่ยนะยกย่องเคารพ บ, บูชามากนะคำว่าการบูชาธรรมเป็นทางดําเนินของตนเป็นของจริงความว่า การบูชาธรรมะเป็นทางดําเนินของตนเป็นของจริงแท้แน่นอนเป็นจริงตามเป็นจริงไม่วิปริตคําว่าธรรมะทิฏฐิปฏิปทามักชื่อว่าเป็นทางดําเนินของตนเหมือนกับที่สมณะพราหมณ์บางพวกสรรเสริญทางที่เป็นทางดําเนินของตนในะ ใ, ใครมั่งที่สมมติคุณบุญชูมานี่จะตำหนิตัวเองไหมที่เดินที่มาทางเนี้ยนะไม่ตําหนิใช่ไหมก็ชมอ่ะนะ เชื่อนะนี่ก็เหมือนกันนะของใครก็เหมือนกันนั้นแหะทุกคนก็จะเชื่อเชื่อแต่สิ่งที่จะเชื่อจริงหรือไม่จริงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะถ้าไม่มีสารณะก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะนะคาว่าวาทะทั้งปวงก็พึงเป็นของจริงคือถ้าจริงอย่างที่ตัวเองชมนะลัทธิทุกลัทธิในโลกจะจริงหมดถ้าจริงสัก์แต่ว่าตามคําชมมานะเพราะว่าวาทะทั้งปวงก็พึงเป็นของจริงแท้แนนอนเป็นจริงเป็นจริงไม่วิปริต ํานวนว่าคำภีร์ของแต่ละศาสนานะทุกๆศาสนาเขาก็ถือว่าเป็นของจริงใช่ไหมถ้าจริงตามคําที่กล่าวนะแล้วจะมีที่ไหนเลวบ้างอนะแต่ว่าคมภีรเหล่านั้นพูดไม่เหมือนกันนะทะเลาะ ก, กันหมดอะคำว่าเพราะความหมดจดของพวกสมณะพราหม์เหล่านั้นเป็นของเฉพาะตนเนี่ยนะเฉพาะตนก็คืออะไรเขาถือว่าเขาบรรลุอะเขาถือว่าเขาได้ผลน่ะเขาถือว่าเขาถึงที่สุดอนะนะนทุกคนก็จะถือเอาแต่หลักการของตน ญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนําย่อมไม่มีแก่พรามอันนี้คุณธรรมของพระอรหันนะว่าญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนําย่อมไม่มีแก่พระอรหันความตัดสินใจแล้วจึงถือมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มีแก่พระอรหันเพราะเหตุนั้นพระอรหัน์จึงเป็นผู้ล่วงเสียแล้วซึ่งควา ม, มวิวาททั้งหลายเพราะพระอรหันย่อมไม่เห็นธรรมะอื่นโดยความเป็นธรรมประเสริฐนนะคือพระอรหัน์ท่านละกิเลสละ ราคาโทสะโมหะไม่มีตัณหาทิฏฐิเป็นที่อาศัยแล้วนะเป็นผู้คงที่เพราะฉะนั้นยานอันบุคคลอื่นพึงแนะนำย่อมไม่มีแก่พรามคือพระอรหันต์นั้นความว่า